กราบบูชาพระรัตนตรัยกกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกรกราบคารวะหลวงพ่อกมอาจารย์ทรงศินป์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญในธรรมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้ <c oughs> ออจริงๆแล้ววันนี้กนะ็เป็นวันที่วันศุกรนะ์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2555นะตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะโรงถ้านับเวลาแล้วก็ถือว่าเราเข้าบรรษามาได้หนึ่งเดือนแล้ว สำหรับคนที่บวชโดยมีระยะเวลากำหนดออกพรรษาเนี่ยก็เหลือเวลาแค่อีก2เดือนนะซึ่งดูไปแล้วเนี่ยเวลามันก็ไปอย่างรวดเร็วนะครว่าเวลาเนี่ยมันกืนกินสรรพสัตว์และก็กืนกินเวลาตัวของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นวันเวลาเนี่ยมันไม่เคยคอยใครชีวิตของเราก็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 ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเมื่อสักครู่นี้เราได้สวดมงคนละสูตรนะก็มีหลายข้อนะที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายนะของการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตนนะนะีเราก็คงมีเป้าหมายร่วมกันนะที่จะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเห็นความจริงนะ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 พิกษุรูปนี้เนี่ยมีความสามารถมากในการที่จะเหาะเหินเินอากาศได้ก็ไปคิดว่าที่สุดของทุกข์ที่สุดของโลกนั้นมันอยู่นอกตัวก็เหาะไปสวรรค์ชั้นต่างๆาไปถามเทวดาว่าที่สุดทุกข์มันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไห น, นเทวดาก็ตอบไม่ได้ก็ให้ไปถามเทวดาชั้นสูงๆขึ้นไปนจนไปถึงพระพรหมพระพรหมก็ยังตอบไม่ได้ พระพุธก็แนะว่าให้มาถามพระพุทธเจ้าพรนะพุทธเจ้าก็บอกที่สุดทุกข์ก็มันอยู่ในตัวในตัวท่านนั่นแหละก็กลับมาดูที่ตัวเองนะนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบนะกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหาความสุขเนี่ยก็จากสิ่งภายนอกนะจากวัตถุภายนอกนะถ้าเราติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบัน องค์การนาซ่าส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจถึงดาวอังคารก็คิดกันไปว่ามันน่าจะมีทรัพยากรมีอะไรที่จะมาตอบสนองนความสุขหรือเอามาบำรุงบำรเรอได้หรือบางทีก็บางคนก็คิดถึงขนาดว่าจะไปฮันนีมูนที่โลกพระจันทร์เป็นความสุขที่คิดว่าน่าจะมีอยู่อีกเรียกว่าเหาะกันไปถึงนอกโลก ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะในครั้งพุทธกาลตามที่ในพระเตวิปดกได้พูดถึงเอาไว้ก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นคนในยุคครั้งพุทธกาลคดีในยุคปัจจุบันคดนะีก็คล้ายๆกันนะก็คือไปหาที่สุดทุกข์หรือไปหาความสุขที่ที่สุดเนี่ยนะไปมองกันข้างนอกนะไม่ได้กลับมามองข้างในนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้พลาดไป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 นํานมาเสนอใหกับคนยุคปัจจุบั น, นเป็นระยะเวลาท่านนับก็น่าจะ เ, เกือบครึ่งศตวรรษได้ตั้งแต่ที่ท่านได้ เ, เข้าใจธรรมะตั้งแต่อายุ46่สปีที่แล้วก็เราฉลองครบรอบร0อยปีก็น่าจะ50าสบกว่าปีมาแล้วเรียกว่ากึ่งศตวรรษได้เหมือนกันวิธีการของหลวงพ่อเทียนนั้ น, นเป็นวิธีการที่ สั้นกระทัดรัดแล้วก็ทำได้เริ่มต้นได้ง่ายๆนะก็คือสิ่งที่เราทำก็คือการามีความรู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวนะซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจนเนะี่ยการมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหว14จังหวกนะการเดินจงกรมนะให้มีความรู้สึกตัวกับการเดินนะ หรือแม้แต่การนอนนะนี่ก็สามารถที่จะใช้ได้การยืนนะก็สามารถที่จะใช้ได้นะในอิริยบทใหญ่ๆทั้ง4เนี่ยซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็ได้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากอิริยบทใหญ่อิริยบทย่อยนะเช่นกระพริบตาหรือ น, น้ําลายนะ เ, าเหลียวซ้ายแลขวานะหรือว่า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 ความสุขนะมีปิติอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่เรานั่งหลับตานะหายใจเข้าหายใจออกนะก็มีรสชาติที่ที่ติดอกติดใจนะแต่พอเราลืมตาขึ้นมาเนะี่ยแล้วเราไปทำการทำงานนะบางทีเราไม่ได้เจริญสติต่อนะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่ทันนะไม่ทันกับอารมณ์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 นะที่จะสละสิ่งเหล่านั้นลงไปนะแล้วก็มุ่งหมายนะที่จะมาทำความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่สูญเสียไปนะเราจะไม่ถุกเวลานั้นกินกินแต่เราจะกืนกินเวลาก็คือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะในการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งหรือทำที่สุดแห่งทุกขนะ์ให้ปรากฏชัดแก่เราขึ้นมา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 นะซึ่งตรงนั้ น, นจะทำให้เราเสียเวลาไปนะแล้วก็จะได้ประโยชน์น้อยนะมงคลชีวิตนะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเก็จะไม่เกิดขึ้นนะอย่างที่เราสวดมงคลสูตรเมื่อสักครู่นีนะ้มันก็มีหลายข้อนะ ท, ที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้นะกับการเจริญสติของเรานะการได้ยินได้ฟังมากนะการมีศิลปะวิทยาคำว่าศิลปะวิทยาก็คือเรามาฝึกนั่นเอง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 ลืมตัวไปเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวนะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมนะเ อ, อความคิดเนี่ยโอ้โหเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะมากนะบางทีก็ยกย่องตัวเราเองนะอันเนี้ยมันก็มีเหมือนกันโอ้ดีจังเลยแล้วมาทำมาปฏิบัตินะ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 อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเครื่องมือที่จะบอกเราหรือเป็นสัญญาณบอกว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะคุณหลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการพิจารณาตัวเราเองเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ใช้ตัวเราเนี่แหละเป็นผู้สังเกตอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีครูบาอาจารย์มาตักเตือ น, นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอือ้ออานวย